เรื่องปริศนาธรรมดับกิเลสในปีฉลูพุทธศักราช2408ปีนั้นเองสมเด็จพระประวาวเรนเทรา ม, มหิเเรตรังสรรค์พระปินกล้าวเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชวังคือวังหน้าเสด็จสวรรคตในพระที่นั่งอิสเรลณเดือนยี่เป็นปีที่15ยรชการที่4 พระปิ่นกล่าวเจ้าอยู่หัวเจริญราษด้อุปราชาพิเศษส4ี่ปีกับสามเดือนพระชนหิเจกับสี่เดือนประกอบโกรตั้งบนพระเบญจาในพระที่นั่งอิสเรเสนั้นสมเด็จพระจอมกล้าวเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลทัศนานุปทานในพระบวรศพแต่พอเสด็จถึงพระทวารพระที่นั่งนั้นอุปราชสดพระอภิธรรม8รูปท่านตกใจเกรงพระบรมเดชานุภาพ ท่านลุกวิ่งหนีเข้าแอบในพระวิสูตรคือม่านที่กั้นพระโกดทรงทราบแล้วเรี่วใหญ่ตรัสว่าดูสิดูสิดูถูกเข้าไม่เห็นข้าเป็นเสือเป็นยักษ์เอาไว้ไม่ได้ต้องให้มันซึกให้หมดรับสั่งแล้วทรงพระอักษรถึงสมเด็จพระพุทธาจ้์โตทรงให้พระธรรมเสนาเนียมนำหลายพระราชหัตทะเลขามาถวายสมเด็จพระพุทธเจย์โตวัดระคัง รั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าโตรับจากสังฆาลีมาอ่านดูแล้วท่านก็จุดทูบสามดอกแล้วจี้ที่กระดาษที่ว่างๆหลายระหัสนั้นสามรูปแล้วส่งให้พระธรรมเสนานํามาถวายคืนในเวลานั้นพระธรรมเสนาทูลกล้าวถวายส่งทอดพระเนตรเห็นรู ก, กระดาษไม่ไม่ลามถึงตัวหนังสือก็ทรงทราบปริศนาธรรมจึงรับสั่งว่าอ๋อท่านให้เราดับราคะโทสะโมหะ อันเป็นไฟสามกองงดทีงดทีเอาเถอะเอาเถอะถวายท่านพระธรรมเสนาไปเอาตัวพระสวดมานั่งประจำที่ให้หมดและทรงแนะนำสั่งสอนระเบียบจัญญาในหน้าพระที่นั่งให้พระรู้ระเบียบรับเสด็จแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้ครั้งหนึ่งถึงเดือน11ถึง12สองลอยกระทงหลวง สเสด็จลงประทับบนพระที่นั่งฉลังข้าพิมานคือตําหนักแพรพร้อมด้วยฝ่ายในเป็นอันมากสมเด็จพระพุทธเจ้าโตจเจ้าเรือข้ามฟากฝ่ า, ฝาริ้วเข้ามาเจ้ากรมเรือดั้งจับเรือแหกทุนรับสั่งว่าเรือใครเจ้ากรมกราบบังคมทูลพระกรุณาเรือสมเด็จพระพุทธเจ้าโตรับสั่งว่าเอาเข้ามานี่ ครั้นเจ้ากรมเรือดั้งนำเรือสมเด็จเข้าไปถวายนิมนต์ให้นั่งแล้วรับสั่งว่าไปไหนทูลว่าขอถวายพระพรตั้งใจมาเฝ้าทำไมเป็นถึงสมเด็จเจ้าแล้วเหตุใดต้องเจียวเรือเองเสียเกียรติยศแผ่นดินทูลว่าขอถวายพระพร อ, อัตมาภาพทราบว่าเจ้าชีวิตเสวยน้ำเล่าสมเด็จเจ้าก็ต้องเจ้าวเรืออ๋อ จริงๆการกินเหล้าเป็นโทษเป็นมูลเหตุให้เสื่อมเสียกิตยศแผ่นดินใหญ่โตทีเดียวตั้งแต่วันนี้ไปโยมจะถวายพระคุณเจ้าจากไม่กินเหล้าอีกแล้วสมเด็จพระพุทธจารย์เลยถวายยถาสภภัพีถวายพระพร ล, ลารับสั่งให้ฝีพายเรือดังไปส่งถึงวัดระฆัง เรื่องคุณความดีมีมากในแผ่นดินสมเด็จพระปรมินทรามหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นั้นสมเด็จพุทธจารย์โตท่านได้ประพฤติคุณงามความดีดํำรงตบะเดชะชื่อเสียงกระเดื่องเฟื่องฟุง้งมาในราชสำนักก็หลายประการในสงสํานักก็หลายประการจนท่านมีคนนับถือลือชาปรากฏ ตลอดเส้นแผ่นดินรัชกาลที่สี่เมื่อหนวันพรรหัสบดีขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดปีมะโรงพุทธศักราช2411รสิบเอดเวลายามหนึ่งกับหนึ่งบาทศิรีพระชนห4สิบสี่เสวยราชสมบัติได้17เจ็ดปีกับหกเดือนสิบสี่วันอายุสมเด็จพระพุทธาจย์โตได้แปสเอ็ดปีรับตำแหน่งสมเด็จพระพุทธาจย์มาได้สี่ปีสิ้นรัชกาลที่สี่นี้